คจะเดิในในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็จะพูดในช่วงเขาเรียกว่าพรมพรมมายาจะนาคาคือคาถาที่ว่าด้วยการอ้อนวอนการรัตนาหรือการขอร้องของสัมปชัญพรมสัมปชัญพรมนั้นเป็นมหาพรมคือเป็นใหญ่อยู่ในพรมโลกชั้นมหาพรมมา ก็ได้ทราบปริวิตกของพระพุทธเจ้าในการเดี๋ยวจะขวนขวายน้อยอยู่ก่อนคือที่จริงก็เป็นขณะความคิดขณะหนึ่งเท่านั้นเองเโดยยังไม่ได้คิดต่อไปท่านก็เข้ามาแทรกขึ้นตรงนั้นอย่างทีบอกไว้ในวันก่อนนะว่ามันที่จริงมาขัดแย้งกับการตั้งปณิธานในการที่จะเลือคขนสัตว์ให้สัตว์รู้ตามพระองค์ ผ่านภพชาติมาเป็น น, นเรเกนันมาตรงนี้ก็เกิดมาจะท้อถอยเอาเนี่ยมันก็ฟังไม่ค่อยได้นะแต่เป็นวิธีการในการรียบเรียงเรื่องราวทั้งหลายก็ดูแล้วนี่มันมันเป็นคล้ายๆกับผลิตผลทางประวัติศาสตร์มันเป็นการต่อสู้กันระหว่างศา ส, ะสะนาเดิมก็คือศาสนาพราหมณ์แล้วก็ศา ส, ะสะนาพุทธ ก็ถ้าเรามองมาถึงคำอาราธนากองสมบดีพรมเนี่ยืะแสดงเห็นว่าคำสอนในาศาสนาพราหมณนะ์น่ะมันเลอเถอะก็ขอให้พระพุทธเจ้าได้โปรดประกาศธรรมะที่พปรงสัสรูแก่ชาวโลกการเสด็จมาเฝ้าของสัมบดีพรมนั้นก็เป็นแบบเดียวกับพวกเทวดาพวกพรมทั้งหลายที่มาเฝ้าเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าสมมดีพรมได้หายไปในพรหมโลกมาปรากฏณเบื้องพระภัคของพระภูมีประภาคหบุรปรุษที่กำลังเหยียดแขนที่คู่หรือคู่แขนที่เหยียดเชนั้นเตอิยาบทที่เข้าเฝ้าในแปรโดยตามปกติเราจะพบพระเทวดาเข้าเฝ้าเนี่ยคือจะทำสถานที่ตรงนั้นให้สว่างสวยโดยรัศมีของตนแล้วก็จะยืนณที่สุดส่วนข้างหนึ่งและถวายบังคม แล้จะกราบทูลถามพระพุทธเจ้าตอบก็ถวายบังคมและอันตรฐานคือยังไม่พบนนั่งนะรารัตตะาจา์ท่านอธิบายว่าการที่เทวดาไม่นั่งเนะี่ยเพราะต้องการจะมาวนกลับดวนที่มาเนี่ยเพราะกลิ่นศีลของพระพุทธเจ้าแต่ว่าโลกมนุษย์สมับเทวดาแล้วเนะี่ยมันเหม็นมาก คือเทวดาเข้ามาในบรรยากาศโลกประมาณร้อโยชนี่ได้กลิ่นแล้วตอนท่านก็รีบมาแล้วก็รีบไปปัจจุบันนี้มลพิษเยอะนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงสแสดงว่าคงไปหลายโยนแล้วก็ได้เพราะบรรยากาศโลกเวลานี้ก็มีมลพิษมากให้แก่แต่สามัคคีพรหมมาแบบอุบาสกมันเหมือนกับมรรคฐายกวัดท่านเล่าถึงกริยาอาการ ของท้าวสมบดีพรหมว่าขั้นแล้วห่มผ้าอุตราสูงหรือผ้าห่มนะฮ ะ, ะเฉวียงบาคุกชานุมณฑนก็คือคุกเขา่าเบื้องขวาลงบนแผ่นดินก็แสดงว่าคุกขา่าดันเดียวก็เป็นท่านั่งที่ค่อนข้างแปลกนะฮะเราจะเห็นว่าแนวที่เทวดาภาพเทวดาเนี่ยก็นั่งค่อนข้างแปลก คือว่าเท้าเหยียบอยู่ที่พื้นดินด้านหนึ่งแล้วก็ด้านเท้าวขวาก็เอาเข่าลงแต่ด้านหนึ่งก็ยกเข่าขึ้นเท้าก็เหยียบอยู่ที่พื้นดินเป็นท่านั่งที่แปลกแล้วประนมอัญเชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกระพร้าทูลคํานี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า พระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคปโปรดทรงแสดงธรรมขอพระสุพ์ได้ปโปรดทรงแสดงธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีทุลีในจักสูน้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรมก็จะมีอันนี้ที่เรานำมาเป็นบทพรห ม, มาจโลกาณนะที่อาธตนาธรรมา ก, กันกรมลาตนานั้นเรียกพระพุทธเจ้าถึงสองพระนามนะ นามแรกก็คือพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคนั้นแปลว่าผู้จำแนกแจกจ่ายธรรมแปลว่าผู้มีภักธรรมแปลว่าผู้มีโชคเป็นคำที่เขาใช้เรียกมาสมัยโบราณเราพบว่าพวกฤาษีชีพไพรทั้งหลายก็ถูกเรียกในลักษณะนี้ถ้าว่าเป็นฤาษีที่มีคุณธรรมสูงสูงเขาเรียกว่าภักขวาเหมือนกัน แล้วก็แม้ในปัจจุบันคำว่าพักควาในสังคมอินเดียเนี่ยอย่างโคที่เขาเห็นว่ามีลักษณะเป็นโคของพระเจ้าหรือโคของพระศิวะเนี่ยก็ก็เรียกว่กาภัวารซึ่งก็เป็นภาษาสันสกฤตความหมายเดียวกับภควาก็แสดงว่าชื่อเหล่าเนี้ท้าสมบดีพรมก็มาเรียกพระผู้มีพระภาคเจ้าในฐานะเป็นสรรพนามคํำหนึ่งนะ แต่ว่าสะท้อนคุณสมบัติเราเวลาเราพูดสรรเสริญพระพุทธเจ้าเราหลองสังเกตอะรหังสมาตุบุโถภคกวาเราอะไร น, นโมตาาัสสะภะควะโตก็คือภั ก, กวาเหมือนกันอิติปิโสภั ก, กวยนะเราก็มีคำเหล่านี้อยู่เราแสดงว่าเนื้อหาสาระแล้วก็มีความสำคัญเพอแสดงให้เห็นถึงพระมหากุณาธิคุณ แต่ในขณะเดียวกันก็แสดงถึงพระบริสุทธิคุณเขุนพอมีทาหน้าที่แจกจ่ายรรทาอธิบายทรรมก็กลายเป็นพระปัญญาคุณเกิดมีลักษณะมีเนื้อหาสาระเยอะนะซึ่งเมื่อเจอถึงจุดหนึ่งเราคงจะคุยเรื่องพระพุทธคุณกันสักครั้งเพราะว่าก็ความเหล่านี้มีนย่าที่น่าศึกษา แต่ละข้อนะฮะแต่ละข้อจะมีความหมายที่ค่อนข้างวิจิตรปิสดารและคําหนึ่งก็คือสุคตคือสุกโตนะฮะคือเสด็จไปดีแล้วจริงจริงก็เสด็จมาดีแล้วเสด็จอยู่ดีแล้วเสด็จไปดีแล้วการเสด็จไปในที่ต่างๆของพระพุทธเจา้าเลยเป็นการเสด็จไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่บุคคลทั้งหลายในท้องฉินรถนั้น เพรานจึงเรียกจึงเรียกว่าสุคตเป็นพระผู้เสด็จมาดีก็อยู่ในประวุตธคุณเก้าบทเหมือนกันคือบทวสุกโตนะฮะแล้วก็เรลองสังเกตว่าให้ทรงแสดงธรรมคือธรรมะนี่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วโดยธรรมชาติธรรมดา คำว่าจตสรุนั้นเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นภายในประทัยของพระองค์และทําให้พระองค์รู้ความจริงของธรรมะเหล่านั้นถึงเมื่อกลราโดยสรุปแล้วก็คือกลักของอริยสัจทั้งสีประการนั่นเนองการแสดงจึงไม่ใช่บัญญัติคําว่าอริยสัจแม้คําว่าอริยสัจเองนะฮะถ้าสมมติว่าเราพุทธเจ้าเป็นฝรั่งเศสเก็คงไม่เรียกอริยสัจก็คงเรียกภาษาฝรั่งเศส ชื่อเหล่านี้จึงเป็นชื่อที่แต่งตั้งขึ้นด้วยภาษาบาลีก็เรียกกันนะฮะอริยสัตว์เรียกว่าทุกสูโมไทยนิโรธมรรคก็เรียกด้วยภาษาบาลีเราก็มาแปลเป็นไทยนะฮะแต่นี้ไทยเราเนี่เราเราไม่เคยมีคําแปลเท่าไหร่อ่ะบางทีก็แปลทับไปเลยนะบางทีก็แปล วัทุขความไม่สบายกายไม่สบายใจเอาก็จริงกรอบไม่หมดคือแปลแล้วนี่มันครอบคลุมเนื้อหาข้องคําวาทุขไม่หมดสมุทัยเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์มันไม่สามารถที่จะสะท้อนออกมาเป็นภาพลักณ์ได้ท่านก็ไปอธิบายใหม่ทีหลังซึ่งเราจะเจอข้อความเหล่านี้ตอนที่ถึงถึงธรมมจักรวัตตะสูสุทีนี้คําว่าทุลีในจักรสุเนี่ย หมายถึงก็กิเลสทั้งหลายนะฮะราคาก่อชีวะทุลีโทสะก่อชีวะทุลีโมหะก่อชีวะทุลีเป็นการพูดถึงฝุน่นโครนตมละอองอะไรต่ออะไรต่างๆสนองสนิมเนี่ยฮะก็ใช้ได้ทั้งนั้นน่ถือหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นไม่อยู่ในสภาพตีใช้างานได้เช่นว่าโต๊เก้าอี้โต๊ะเก้เาอี้มีฝุ่นเต็มเนี่ยมันก็อยู่ในสภาพตีใช้างานไม่ได้มีที่สนิมเครืองเนี่ยมันก็ใช้างานไม่ได้ หรือว่าแต่ละ อ, องทั้งหลายเนี่ยมันปรากฏอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยตัวนั้นก็ยังใช้งานไม่ได้อาจจะโครนตรมก็ได้นะเชิงกรรมนนมาคูมบางทีก็เรียกโครนตรมุมมันขึ้นอยู่กับว่าคนเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนล่ะสามารถสะท้อนจากภาพที่เป็นรูปธรรมได้ยังไงพระเจ้าก็เอารูปธรรมตรงนั้นเนมาสะท้อนได้คนเห็น กิเลสเหมือนก็โคลนตมเหมือนก็เปิกตมเป็นไหมเราตกไปแล้วเนี่ยกรรมคุณเนี่ยเหมือนกับโคลนตมอ่ะบางทีเป็นโคลนดูด้ายไปเลยบางทีเอาเอาเอาขนาดโคลนตมนะฮะลองสังเกตถ้าเราตกไปโคลนตมเนี่ยจะถอนตัวได้ยากมากเลยเพราะนนั้จิตใจที่ตกเข้าสู่กระแสของกรรมคะขุนบางทีเนี่ยเห็นช้างเท่าหมูหายไปเลยปูจากันไม่รู้เรื่องทำความเข้าใจกันไม่ได้ พะในที่นี้ที่จึงทรงใช้คำเบาคำว่าทุลีก็คือฝุ่นละอองที่ปิดบังเหตุผลสติปัญญาของมนุษย์อยู่เนี่ยนะก็ในเครือของวิจานันแหละแต่ที่เบาบางในมันมีคือไม่ใช่หนาเตหนาเตทั้งหมดนะที่เบาบางสามารถจะรู้ทั่วถึงธรรมเนี่ยมันมีอยู่มันก็ขอให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมา แล้วก็กราบทุลเป็นพระคถานะฮะก็เล่าความต่างๆให้ทรงทราบว่าที่จริงเรื่องราวเหล่านี้พระเจ้าก็สุงรู้แล้วนะฮะเพราะว่าพระองค์ก็ได้ผ่านการศึกษาในสำนักอัลาดาบทอุตักาดาบามาแล้วก็รู้หรือว่าธรรมที่ไม่บริสุทธิ์จริงเนี่ยมันมีแต่ว่าที่จริงของท่านดาบด ท, ทั้งสองเนี่ยถ้าเทียบกับของคนอื่นแล้วก็ดีกว่าของคนอื่นนะ เราโดยสรุปว่าสมัครสมัยนั้นเยสมัครคนสมัยนั้นยกเว้นพระพุทธเจ้ากับศาสนาเฉยแล้วก็ท่านอาลาดาบทอุตกดะดาบทก็ถือว่าย่อกระเพื่อเพราะว่ามันปฏิบัติพัฒนาไปจนถึงสมาบัติแปดเข้าเนื้อสัญญาณนะสัญญาญตนะได้ขอ ง, องท่านอุตกาดาบทแต่ว่ามันเป็นวัตตะเห็นวัตตะมีกุศลคือกุศลที่ยังทําให้หมุนวนอยู่ในสังสารวัฏเพียงแต่ว่า มัก็สวัสดสุขอยู่ในพรหมโลกนานก็ไม่ใช่นานหน่อยตงนานมากๆเลยก็ในแง่ของแสวงหาความสุขเพื่อตัวเองนะก็ดีแต่ในแง่ที่ต้องการจะช่วยเหลือสัตว์โลกเหล่าอื่นเพื่อร่วมทุกข์เกิดแก่จะตายเหล่าอื่นนั้นไม่ดีมันไปพักแสวงหาความสุขอยู่เฉยๆตํานองคล้ายๆก็ตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปพักสังสารวัฏอยู่บนโพรหมโลก พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านท่านท่านไม่ยอมเกิดบนภพมนุษยแต่ถ้าเกิดเนี่ยท่านอธิษฐานจุติได้นะก็เรียกว่าอมุตอธิมุตตการคือสามารถอธิฐานให้จุติลงมาในโลกมนุษย์ได้เพื่อสร้างอบรมบา ร, รมีธรรมคือสร้างบา ร, รมีทีนี้ธรรมที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันเกิดจากคนที่ไม่บริสุทธิ์ท่านก็ใช้คำว่าอันคนมีมนทินทั้งหลายคิดแล้วได้ปรากฏใน มขดจุดโนบดก็ที่จริงไม่ใช่มขดจุดโนบทแห่งเดียวหรอกเพียงแต่ว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่มขดจุดโนบดก็ท่านก็พูดถึงเฉพาะมขดจุดโนบดขอพระงได้โปรดทรงเปิดประตูแห่งอมาตะธรรมนี้ก็นี้ถือว่าคําใหม่นะคําใหม่ที่ท่านสัมบรีพรมเรียกธรรมะที่พระเจ้าสัสร้อมาตะธรรม คือธรรมะที่ทำบุคคลผู้ดื่มไม่ให้ตายมันก็สืบเนื่องมาจากลทัทิความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ตอนที่ว่าโดยควรกระเสียนสมุดหรือเทวดาที่ได้ชื่อว่าอามรนะและว้วผู้ไม่ตายแล้วถามว่าทำไมจึงไม่ตายมันก็กลายเป็นตำนานเทพเจ้าควรกระเสียนสมุดเรื่องยาวเลยแต่เราโดยสรุปนะฮะว่าครวหนึ่งเนี่ยพระเทวดานี่ กบัดขึ้นในสวรรค์ชันดาวดึงดึงแต่สวรรค์ชันดาวดึงเนี่ยที่จริงเป็นที่อยู่ของพวกอสูรชื่อว่าปจิติอสูรมา ก, ก่อนก็ทํำยังไงต่างคนต่างก็ไม่ต้องการจะตายเลยก็ชวนการกวนกระเียนสมุดโดยเอาภูเขาสองลูกมาวางแล้ก็โม่โม่แป้งไงนะแต่ว่ากษัตริย์แสดแงสวรรค์นเนี่ยค่อนข้างด้อยพัฒนาเยอะนะะ คือเราดูโม่แป้งก็เรายัางเข้าท่ากว่าของสวรรค์ของสวรรค์ไม่มีแม้แต่เชือกนะเลยก็ต้องเอาพญานาคเป็นเชือกมาพัานรอบภูเขาลูกบนแล้วก็ช่วยกันดึงนะพระเทวดาเนี่ยเอาเปรียบเพื่อนมาตลอดนะะเทวดาเนี่ยก็ไปดึงส่วนหางให้สูงดึงส่วนหัวพญานาคเกิดเจ็บขึ้นมา เลยก็พ้นพิษใ ส, ส่สุขแล้วก็ในการต่อมาก็เกิดเป็นน้ำอมฤตขึ้นมาแต่เขาว่าเราหูเนี่ยไม่ได้ข้าวมามีส่วนกวนกับเพื่อนหรอกแต่พอน้ำเป็นนอมฤตก็คือไปแอบกินแอบกินน้ำพระจันทร์ไปเห็นข้าวก็เลยบอกให้พระนารายณ์ทราบ ลายกริ้วกว้างเลยจากขาดสองท่อนก็เนื่องจากไปกินน้ำมอฤกษึเข้ามาก็เลยไม่ตายก็กลายเป็นเรื่องของอะไรแหละตำนานที่เกี่ยวกับดวงดาวทั้งหลายเนี่ยรเราหูก็คือกลายเป็นโลกไอ้ท่อนหนึ่งรู้สึกว่าเป็นดาวเกตอะไรนีนะ่อธิบายกัน ก, ก็จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องอีกเป็นอันมากนะทีนี้ เมื่อได้ดื่มน้ำเมารึกกันแล้วเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งที่พยาห น, น้าแกยั่วขึ้นมาพยาห น, นาแกยั่วขึ้นมาเลยเอาแกมาทรมานแต่ แ, แกพ่นพิษใส่ลงไปน้ำมาัมฤารึกได้พระสิวะก็ตกพระไถยเลยก็อมน้ำมาัมฤารึกตรงนั้นเนี่ตัวในพิษพยาห น, น้าเนี่ยเข้าไปกลืนเข้าไปในประซอ ก็ตามให้ยาพิษไหม้นะพิษก็ไปยาหน้าไหม้อะสะของพระศิวะนะฮะศิวะนี่ดำไปนะก็เรียกว่าพระสะดำเลยน้ำนั่นก็กลายเป็นน้ำอำมฤตพวกเทวดาก็ดื่มกันนะฮนะสู์ก็ดื่มพอสูญดื่มเมาเทวดาเบี้ยวจับปศูนทิ้งลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึง มันก็เป็นเทวดานะฮะสูญก็เป็นเทวดาประเภทหนึ่งเหมือนกันก็มีบุญบารมีเหมือนกันก็เกิดวิมานรองรับอยู่ภายใต้เขาพระสุมเมนเรียกว่าเวปปิติวิมานอสูญก็มาเกิดกันที่นี้และในสูญก็กลายเป็นความทะเลาะการขัดแย้งกันระหว่างเทวดากับสูญนะพวกเราหูเองก็เป็นพวกพวกเดียวกับพวกเวปปิจติสูญเนี่ยแล้วก็กลายเป็นเรื่องยาวไปเยอะเลย กนก็อาศัยน้ําเนี่ยน้ําที่ก็ดื่มแล้วก็ไม่ตายเนี่ยก็เรียกน้ําว่าเรียกน้ําอามารื้อคือทำผู้ดื่มไม่ให้ตายแต่ว่าที่จริงเทวดาก็ตายนะเพียงแต่อายุยืนกอนเทาสามบดีูพเป็นคนเรียกก่อนเรียกธรรมะที่พระเจ้าสัสรู้เอามารืธรรมในที่นี้ก็หมายถึงตัวนิพพาน ที่ทาให้ผู้ดื่มแล้วเนี่ยไม่ต้องตายเพราะว่านิพานไม่มีชาติไม่มีภพคือไม่มีการเกิดไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะเพราะว่าเกิดแก่เจ็บตายมันมาจากเกิดเท่านั้นแก่เจ็บตายมาจากเกิดเมื่อไม่เกิดมันก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เป็นลักษณะพูดทําให้คนเข้าใจผิดได้นะฮะคือเขาเรียกว่าประตูแห่งอมตะถามนี้ ที่จริงเป็นประตูใจนะคือเปิดใจคนมันไม่ใช่ประตูเข้าก็ทําให้มีคิดเป็นอายตนานิพพานเป็นเมืองแก้วกล่าวแล้วคืออมตะมหานาครนรุพาน อ, อะไรต่างๆก็ว่ากันมากมายแก่ ก, ก่คือคําเรียกเนี่ยเขาพยายามที่จะสื่อสารใ้เป็นภาษ า, ษาธรรมดาภาษาที่เข้าใจง่ายนะแต่ทีนี้บางทีมันก็สับสนในด้านการสื่อสารเหมือนกัน เราท่านก็บอกว่าขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมที่ปสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นี้ก็เป็นอีกคําหนึ่งอีกคําหนึ่งที่ท่าสามบดีพุ่มเรียกห้เราสังเกตเราสามคำแล้วนะฮะเรียกพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าสุขคตเรียกว่าภักขวาเรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยู่ในพระพุทธคุณนั้นนะอิติปิโสภักวาหลังสัมมาสมุทโธพิชาจะน่าสัมปโนสุกโตเห็นไหมฮะตอนพระพุทธคุณที่เราสวดเนี่ย พระพุทธเจ้าทรงแสดงตามคันกล่าวเรียกของคนอื่นแล้วก็มีที่ไปที่มานะะอย่างนโมเนี่ยมีคนกล่าวถึงห้าคนด้วยกันแต่๋ยวท่านรวบรวมมาต่อกันข้าวก็เป็นข้อความอย่างเรสวดข้อความขนาดนี้ห้าคำมาลองตั้งเกตนโมตัสสะภะวะโตระโตสมะสะพุทธิมีห้าคำมีคนกล่าวถึงห้าคนแล้วก็เป็นการสรรเสริญพระพุทธคุณ เริ่มต้นด้วยกรุณาคุณแล้วบริสุทธิคุณแล้วก็ปัญญาคุณพระพุทธคุณเหล่านี้สั ม, มดีผมก็กล่าวผู้หมดบนทินสัตว์รรู้แล้วตามลำดับพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้หมดบนทินเพราะทรงบรรลุอาศาวัคยานอาศาวัคยานก็ทำลายสัพกิเลสที่มีชื่อต่างๆออกไปหมด ก็กลายเป็นเข้าถึงความบริสุทธิ์จึงไม่มีมนทินไม่ได้เหมือนกับพวกสอนก่อนที่สอนเนี่ยเป็นคนที่มีมนทินคือหมายความมารู้ไม่จริงอ่ะรู้ไม่จริงรู้ไม่ตลอดพอเราสอนก็มัว่วแล้วบางครั้งบางคราวเนี่ยถ้าเราศึกษาดูแล้วก็ำขำคือหน้าอินดูนะฮะหน้าอินดูว่าท่านเชื่อของท่านได้ยังไงลูกศิษย์ลูกหานี่เชื่อได้ยังไงแต่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องแปลก คือเรามองจากพุทธเนี่ยแต่เราศึกษาเรื่องพุทธรายละเอียดแล้วเนี่ยแล้วก็มองเรื่องอื่นเนี่ยสามารถที่จะตั้งคำถามใหมก็ตอบและอธิบายได้แต่เราก็สงสัยเขาเชื่อได้ยังไงตัวนั้นคือการถูกครอบถูกครอบทางความคิดแล้วก็มีการขูหน่อยนะไม่ให้วิพากษ์วิจารเราผู้เป็นเจ้าอะไรต่อะไรเนี่ยในสุดพวกนี้ก็จะกลัว เลยจะเกิดลัทธิที่เรียกว่ายอมสยบต่อคํากล่าวคําพูดหรือข้อที่แสดงของท่านเหล่านั้นพระพุทธเจ้านั้นไม่มีมุนทินแล้วก็ยืนยันรับรองผลว่าจะสรุแล้วนะฮะสมาธบุตรโถเนี่ยจะรู้ดีจะรู้จบจะรวเองแล้วก็เป็นการสรุตามลําดับเพราะพระพุทธเจ้าเวลานั้นขณะนั้นเนี่ยนะ มันก็เหมือนกับบุรุษ ท, ที่ขึ้นไปยืนยอยู่บนยอดเขาซึ่งล้วนแล้วแต่ศิลาแล้วก็มองลงมาจากยอดเขาเห็นคนโดยรอบนะฮะว่าใครทำอะไรอย่างไรที่ไหนก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะมองมาจากที่สูงพระพุทธเจ้า ก, ก็สามารถจะมองค น, นจากที่สูงได้แล้วก็ยกย่องพระพุทธเจ้าเป็นข้อความเหล่านี้เราจะเจอบ่อย มีการกล่าวสนรเสริญพระพุทธเจ้าว่ากระแต่พระองค์ผู้มีปัญญาดีคือปัญญาที่ทาให้จัสรูนะ้น่ะสามารถทำลายอาวิชชาออกไปได้อย่างสิ้นเชิงเพราะว่าปัญญาทั้งหลายที่เรามีกันโดยทั่วไปเนี่ยมันไม่ไม่ลดกิเลสเพิ่มกิเลสท้านฟังลองสังเกตอ่ะแต่เราจบปริญญาเนี่ยสมมติเราจบปริญญาเนี่ย ใครไม่ยอมรับว่าเราจบปริญญาหรือก็ให้เงินเดือนน้อยเมื่เราไปสมัครงานเราจะโกรธฮะแต่ถ้าเขาให้มากกว่าวุฒิเนี่ยเราจะเราจะยินดีคือแสดงว่าปัญญามันเพิ่มเนี่ยมันไปเพิ่มโลภเพิ่มโกรธเพิ่มหลงขึ้นเพิ่มมานะความถือตัวกระด้างขึ้นยังเป็นด็อกเตอร์นี่ยู่ไปใหญ่เลยพู้จ้ากันบางทีไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าอัตราท่านใหญ่เพราะฉะนั้นคนคนที่มีปัญญาดีเนี่ย มันจะทำลายอาวิชาเมื่อทำลายาวิชาเนี่ยมันก็เกิดวิชาวิชาก็ทำให้จิตเนี่ยไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีราคะไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีปัญญาจักสุรอบคอบก็เรียกสมัญตจักสุคือจักสุที่รอบด้านคือรู้ทุกแง่ทุกมุมของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเพียงแต่ว่าจะนำมาสอนหรือไม่เท่านั้นเดงแต่ถามพระเจ้ารู้ไหมก็อบอกว่า จะถามทําไมไม่สอนคือบางทีมันก็สอนทําไมอ่ะไม่ได้ประโยชน์อะไรเรื่องที่เรารู้เยอะเราไม่พูดเนี่ยเราลองสังเกตว่าคนเราแต่ละคน ร, รู้อะไรเยอะแต่เราไม่พูดพอพูดไปไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วพูดไปทําอะไรเพราะธรรมะเนี่ยพระเจ้ามุ่งจะช่วยคนนะหลุดพ้นจากความทุกข์ซึ่งไม่เป็นที่พอใจของคนทั้งหลายเพราะจึงเน้นไปในเรื่อง โทุเหตุเกิดของทุกความรับทุกและข้อปฏิบัติ้ถึงเรื่องความรับทุกเป็นประการสาคัญทั้งความทั้ ง, ทงหลายแต่เรามาพธดยานในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโด้วยทุกันสวัสดี